บทพาชณีติกาปาจิตตีหนึ่ไม่เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นไข้โดยสารญาณไปต้องอบัตปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจโดยสารญาณไปต้องอบัตปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นไข้โดยสารญาณไปต้องอบัตปาจิตตีทุกๆุกกฏเป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นไข้โดยสารญาณไปต้องอบัตทุกกฏ เป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจโดยสารยานไปต้องอบัดทุกกฎเป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นไข้โดยสารยานไปไม่ต้องอบัด